มาข้างก่อนนั่นกัก่อนไปออสเตรเลียว่ามันกลับมาเจ้าออสเตรเลียแล้ว <c oughs> เอนมีนาเขกลับมาแล้ว <c oughs> ไม่นานเท่าไหร่นะได้มาที่สราเอลคาเมียร์เย็นเย็ยเยยน ่เยี่ยมเยียนไม่ค่อยขาดขันกรแปรป่วนธรรมะธรรมะมันเกิด <c oughs> ธรรมะความ ไห้เที่ยงความแปรปวนนี่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงคำว่าสัจจะก็คือของจริงของจริงแห่งธรรมะของจริงคือทุกข์ ของกริงคือทุกของกิงคือเหตุให้เกิดทุกของกริงคือความดับทุกของกริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก <c oughs> มันมีอะไรเป็นผู้รู้เป็นเพื่องรู้ เป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์มีใจของเราเท่านั้นแหละมีใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าทรรมแท้คือใจมโนธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านบอกไว้ท <c oughs> รรมคือ ใจคือมโนธรรมมโนธรรมคือใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งไกลใจนี่แหละเป็นภาชนะเป็นภาชนะรองรับธรรมะรองรับความจริงของ ทำทั Saint ้งหลายของสภาวะที่มันแปรปวนหรือเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วแก่ไ เสมหาอ้านมาออกองยาจีนจีนชันเรื่อยไเลยผสมยมาเดเริร่เดสันนันยาจีนที่ขับเสยมหะพันเดียววเดีว <c oughs> ยาไว้เยาว์า ย, ย า, ยาจิต ป, ปเดียกระได้นมันเมีมันเมกรม แต่กรรมกรรมก็คือกายของเรานี่แหละ <c oughs> ากายนี่แหละเป็นตัวกรรมมาหนึ่ง <c oughs> ที่ให้เกิดความสัมผัสความแปรปวนที่ว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาว ก็เพราะว่ามีกายมีรูปมีรูปธรรมเนี่ยแหละถ้ามีแต่ใจรู้ๆมันก็ไม่มีวัดมีไอมีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็ยาวๆไปถาดขันหรือว่าร่างกาย แปรปวนเลยเหยียวยาไปเหยียวยาด้วยยาด้วยธาตุธ <c oughs> าตุเหมือนกันละ่ะเพราะว่า <c oughs> มันประกอบอยู่ด้วยธาตุดินน้ำไฟลมในกายของเราที่เวลามันแปรปวนวิบัติก <c oughs> วิบัติแปรปวนเพราะ ธาตุมันไม่สมดุลกันความร้อนมากก็ไม่สบายความเย็นมากก็ไม่สบายนี่เรียกว่าธาตุแปรปวนเหยียวย า, า ก, กันไปด้วยธาตุอีกความร้อนมากก็เอาความเย็นเข้าไปแก้กัน ยาสำหรับเยียวยาธาตุส่วนคิดใจน่นยาที่จะเยียวยารักษาใจน่น <c oughs> ก็ต้องมีธรรมะธรรมะคือความเห็นชอบความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าสัมมัิทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบนั่นแหละเป็นธรรมะ <c oughs> เป็นยาที่จะรักษาโลกใจอย่างอ๋อญาให้มาใหม่บ่ยังไม่แก้กันเลยแน้นตัวนี้บ่ ใส่เสยงอเนื้อไอ้สิ่งเป็นยางเดอกเป็นยังเดอมเรคุยกันจักน้อยจักน้อยโลกธาตุขั้นกั โยอยากันไปจนโลกใจกับธรรมะธรรมะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความเพียนโอปัยิโกน้อมเข้ามาดู ดูที่ใจรู้ที่ใจเพราะว่าเรื่องสุขสุขทุกข์ใจเป็นทารู้ใจเป็นท่ารู้เป็นผู้รู้เป็นผู้สัมผัสทุกข์เพราะยังทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่พอใจ ไม่พอใจเป็นทุกข์พอใจจะว่าเป็นสุขแต่ก็เป็นเชื่อแหง่งความทุกข์เหมือนกันเพราะเมื่อมีความพอใจก็มีความไม่พอใจ <c oughs> นี่ทุกข์เกิดเพราะความ เพราะความไม่รู้เท่าทัานใจนี่เป็นน่ายคุ้มเป็นน่ายคุ้มของการงานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน่ายคุ้มของสัญญาสังขารสัญญาเนึกคิดปรุงแตกงใจเป็นผู้รู้ สัญญาจำได้ไม่รู้สำคัญ น, นึกคิดปรุงแตง่งใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รับรู้ทีนี้เมื่อมันคิดปรุงฝงไปไม่เมื่รรมคือสติทมหรือสมาธิทมเป็นตัวควอบคุ้ม เป็นตัวชะล่อสังขารนะมันตัวจะมีแต่ฟุ่งไปปุ้งไปฟุ่งไปปุ้งไปฟุ่งไปกลายเป็นความฟุ่งซ่านลำค้านฟุ่งไปไม่พอใจกับโกรธอาการของข้อมโกรธเกิดขึ้น ก็รอด่เป็นทุกข์อีกเลือกเมื่อพ่อใจก็เกิดข้อมโรกเกิดข้อมอยากเกิดข้อมอยากที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาควอบคุ้ม <c oughs> มันก็นอมไปตามข้อมอยากไปข้อมรูน <c oughs> ที่อยากไม่มี วามไม่เขตไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เป็นทุกข์อีกนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสติธรรมสมาธิธรรมความมีสติกำนวรูที่ใจจึงว่าคิดด้วยความระลึกรู้ความรอบรู้จึงเรียกว่ามี ธรรมาคือสติเป็นตัวควบคุมควบคุมสังขารที่คิดในปรุงแต่งนํ้ำเรื่องใดๆก็ตามแหละการทำงานทางความคิดต้องประกอบด้วยสังขารคือความปรุงแตง่งแต่สังขารไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ รู้เท่าท่านก็จะกลายเป็นผิดเป็นผ้าให้เกิดความเล่าดอนขึ้นมาเป็นอย่างว่าทุกข์เพราะสังขารการสงบระงับสังขารได้หรือรู้เท่าท่านสังขารคิดปรุงด้วยความละลึกรู้ด้วยเหตุด้วยผล ม, มันก็ไม่เป็นทุกข์ ที่ใจคือไม่เกิดความร้อนไม่เกิดความอัดดันตันใจไม่เกิดความกระซับกระสายในจิตใจนี่จว่ามีธรรมะมีสติธรรมมี่สัมปชัญญะธรรมเขาไปควบคุมสังขารก็จะไม่เหตุไม่ผล สัญญาความจํน่อยไม้รู้มีเหตุมีผล <c oughs> เวทนาความเสเวยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะเขาไปรอบรูปความเสเวยของอาการ ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็จะไม่เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นมานี่เรียกว่ามีธรรมะเขาไปครอบคุ้มในความสัมผัสของขันธานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เท่านั้น ถ้าหาวคาธรรมะคือสติทรมสติที่ถูกฝึกฝึกกำหนดรูฝึกตั้งใจจดจ่อกำหนดห ร, รูระลึกรูจนกลายเป็นสัมปชัญญาข้อมูตัวนี่ยังเรียวว่าสติในองค์มักสติที่ฝึกหัดจนจะมีกำลัง เมื่อสตินี่กำลังก็จึงจะเป็นสมาธิในองค์มรรคคือสมาธิที่รอบรูหรือ ก, กำหนดรู ด, ด้วยสติปัญญานี่จึงจะทำงานรูเท่าท่านรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรูรักสา ทัคิดใจ <c oughs> สิงจะไม่ฟุง้งซ่านคิดเดีย๋ยวว่าคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความไม่เหตุไม่ผลรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยความไม่เหตุไม่ผลไม่รู้ด้วยความหลงไม่คิดด้วยความหลงถ้าไมไม่เหตุไม่ผลคิดด้วยความหลงคิดไปแล้วกไปหลงยึด หลงถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เ <c oughs> ขาไปสมมุติไปหลงสมมุติในความนึกความคิดเนี่ยเป็นเดียวเป็นว่าหลงคันหาหลงลูกหลงเวทนาหลงสัญญาสังขารหลงวิญญาณ <c oughs> โตใหญ่ใจควอมออกจากใจทั้งหมด <c oughs> ออกจากใจทั้งหมด จังว่าใจเนี่ยเป็นมหาเหตุเป็นมหาเหตุเป็นมหาปัญหาสามาศึกษาให้รู้เรื่องของใจรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของสัญญาสังขารวิญญาณรู้เรื่องของความอยากความทะเยอทะยานต่างๆแล้วมันเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเนาะ มันก็สงบระงับขามา่ามันบอสายัยมันบอสายแสมันบอส่งกลวงออกไปมันบอหานอกออกไปไกลออกไป <c oughs> เพราะว่าต้นเหตุมันอยู่ใจเนี่ยถ้าไม่ดูเขาม่าที่ใจไม่ศึกษาเขาม่าที่ใจให้กำหนดลูเขาม่าที่ใจเนี่ย ไม่ฝึกใจให้รู้ตัวรู้รอบตัวเรียกว่าให้ใจรู้ใจให้ใจรู้ใจให้ใจรู้ข้อมนึกค้อมคิดรู้ขอมอยาก <c oughs> ตัวข้อมอยากนี่แหละถ้าหากว่าไม่รู้เท่ารู้ท่านมันมันยืดย้าไปเรื่อยยืดย้าไปเรื่อยมันก็เลยเป็นผิดเป็นไพ่ คุณหว้สายแส่กายเป็นไฟขึ้นมา ก, กายเป็นไฟโรคไฟโกรธไฟหลงนี่ไฟสามกองเนี่เป็นไฟมาไล่กันไหมเผาเผาคิดเผาใจนี่แหละเ พ, พาอย่เผายางอื่นเผาย่างอื่นมันบวกลับดุมบวเลยนี่ปัญหายังหนกแต่มันเผาใจในร้อน ร้อนเพราะโลภร้อนเพราะโกรธร้อนเพราะหลงไม่รู้จริงตามเป็นจริงนี่แหละอ่า <c oughs> มันจริงไม่มีความเย็นทีนี้อาศัยธรรมะธรรมสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดับให้ระงับไฟแล้วนี่ด้วยสติด้วยสมาธิ หรือด้วยศีลด้วยท่าน <c oughs> จะว่าระงับด้วยความการทำความดี <c oughs> <c oughs> ทำความดีด้วยท่านการเสียสละทิฏฐิในจิตใจของเขานี่าว่ารู้เท่าท่านมันมันก็เข้าใจว่ามันถูกด้วย มันเข้าใจว่าสิ่งที่มันรู้มันเห็นอยู่หน่นหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เมื่อรู้ว่ามันหยุดมันถืนเมื่อรู้ละเอียดมันก็เลยมันก็เลยเป็นกายเป็นความทุกข์ความร้อนกลายเป็นความหลงเพราะยึดเพราะถือตามความรู้ความเห็นของเจ้าของเอง เ พ, พราะท่านพเจ้าพาวันนาภาวนนาจิตตะพาวนาที่ครูบาอาจารย์เป็นสอนหรือพระพุทธเจ้าเป็นกรสอนการที่จะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาความรู้หรือว่าเกิดปัญญาความแจ่มแจ้งเกิดญาณคือความรู้ เกิดทัศนะคือความเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นตามเป็นจริงจึงเป็นเครื่องดับไฟในคิดใจของเขาได้บางอย่างมันมีเรื่องมีราวที่สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวของเขาที่จะต้องนึกต้องคิดต้องทำ่ำถ้าไม่ เข้าใจในปัญหาในเหตุที่สัมผัสสัมพันธันว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยสมมตินี่แหละมันไม่ได้เป็นจิตเป็นใจมันบ่ได้เป็นความรู้ความรับรู้ไอ้ยังใในของเฮาแท้จริงดอกมันเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านกันชั่วขณะนึ่งเลย มันก็ผพ่านไปพ่านไปเป็นเรื่องเล่าหรือว่าคิดการงานที่เาทาทิต้องทำอย่างนี้ถ้าไปถ้าพวกเขาใจความกินเงน<ม>ก็ไปถือว่าสิ่งนั้นเป็นเล่า<ม>หรือว่าเล่าเป็นปัญหานั่นๆั่นอย่างนี้ก็เลย กายเป็นความทุกขวามฟุง้งซ่านความเลาร้อนขึ้นมาถ้าเข้าใจว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่สัมผัสกันหรือว่าเป็นเพียงพัดสะที่เราจะต้องแก้ไขหรือว่าทำความเข้าใจให้มันตรง แล้วก็ทํางานนั้นๆหรือคิดสิ่งนั้นๆคิดสิ่งนั้นๆนรับปรุงแก้ไขนสิ่งนั้นโดยความเขียนชอบโดยความรู้ชอบเรียกว่าด้วยปัญญาที่ไข่ค้วนเหตุผลรอบรูรอบขอบนี่มันก็บอกเป็นทุกข์บอเป็นทุกข์ที่ใจ ถ้าหาว่าไม่เข้าใจมันกับเขาม่าเป็นทุกข์กับเขาม่าเป็นปัญหาอีกทำให้เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกนี <c oughs> <c oughs> ่เรียกว่าธรรมะที่จะยั่งคิดใจให้มีความสงบระงับมีความสุขในการทำงานในการ ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ในสมุเนี่แหละกายกับใจการงานที่พวกเล่าธรรมงานของโลกอเนี้ยงานของสมมุิโลกยิงต้องอาศัยสติธรรมสมาธิธรรม คือคิตใจเนี่ยถ้ามันคิดไปมากๆโรลุจักพักโรลุจักชะลอมันก็เกิดความร้อนสูงเมื่อมันกเกิดความร้อนสูงมันก็เกิดปฏิคิริยาเหมือนกันกับเครื่องกลเครื่องยนต์วัตถุสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นะ มันเสียดสีกันมันร้อนยังเครื่องคนเครื่องยนต์มันร้อนจนเกินไปว่ามีเวลาในยุดได้พักมันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดเพราะการระเบิดอืเกิดการเสียหายถึงมาได้นี่ก็เหมือนกันเรื่องคิดใจเนี่ยเมอมันไม่ได้คิดแต่ปรุงแต่คนแต่คิดอยู่ว่ามีไม่มีเวลาพักพอน เ, เรียกว่าไม่มีการพักจิตใจคิดบ่ดได้พักไม่ได้พักพรมันก็ย่อมเกิดปฏิกิริยาเกิดอาการที่ให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพักพรพักพอนด้วยสติด้วยสมาธิพักพรด้วยสมาธิ ก่อนสิมีสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติต้องมีสติต้องมีสติธรรมนี่ต้องปฏิบัติให้สติธรรมมีธรรมดาสติธรรมดาอมก็มีเยอะอะแต่ว่ายังไม่เป็นสติที่มีกําลังที่จะสามารถควบคุ้มจิตนี่ว่าให้ทํางานได้ให้พักพ่อนได้ก่อนจึงต้อง ฝึกสติพร้อมแลลึกรู้สตินี่ก็ฝึกอยู่ที่ใจนี่แหละก็ใจรู้รนี่แหละมาลู่กันในการฝึกสติก็ได้การกำหนดรู้จนเป็นปัจจุบันปัจจุบันรู้ดีก็รูปชั่วก็รูปเรียกว่าให้รู้ปัจจุบัน ที่นี่จึงต้องเมื่อฝึกสติเนี่ยมันรู้เท่าท่านนะเพ่นจงว่าจึงให้ฝึกให้รู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ในเบื้องตน้นที่จะฝึกให้มีกำลังที่ว่าฝึกภาวนาฝึกสมมาทิคือ ก, กำหนดสติให้ต่อเนื่องกับลมหายใจเขา้าหายใจออกหรือร ก, กำหนดเพ่ง อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพุดหายใจเขา่าท้วห์ายใจออกก็ตามหรือว่ากำหนดล่มหายใจเข้าก็รู่หายใจออกก็รู่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งหลาะมันเพ่งมันรู่ต่อเนื่องกันอยู่จนเป็นปัจจุบันนั่นจึงเป็นสติที่นี่กาลังยังเรียกว่าสติในองมากสติชอบและลึกชอบ แลลึกผู้โทพผูโทก็ให้เอาผู้โทเป็นหลักไว้ถ้าหากว่าระลึกบ่ชอบสติที่ระลึกบ่ชอบคือไประลึกในสัญญาอารมณ์ตามความหลงตามความอยากไประลึกตามกิเลสย่างกิเลสคือเหตุที่ไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลกิเลส ที่ข้อมไม่มีเหตุไม่มีผลอยากสิ่งใดก็ทำไปหรือเกิดพยาบาทไม่พอใจคิดมากกับคิดพยาบาทคิดทำร้ายอย่างนี้หรือไปลึกถึงอารมณ์สิ่งที่ผ่านมาเป็นอดีตแล้วเรื่องที่ไม่พอใจเรื่องที่ไม่สมปรารถนา ให้เกิดทุกข์ออกไประลึกไปละลึ ก, ลลกอยู่ว่าเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าสติละลึกไม่ชอบสติละลึกชอบระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นเครื่องให้สงบระงับเห็นยังว่าอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดความคัดเครื่องอันนั้นเป็นความละลึกไม่ชอบ เมื่ออารมณ์ใดละลึกแล้วทําให้จิตนี่สงบระงับให้เกิดความเยือกเย็นนั่นเรียก ว, ว่าเป็นอารมณ์ที่ชอบอารมณ์เป็นไปเพื่อความสงบเกิดความระงับเพราะฉะนั้นเพิ่งให้ละลึกถึงความดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นละลึกแล้วมั่นเหี่ยวใจร้อนใจไม่สบายใจ <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ไม่ดีเกิดจากการกระท่าของเราเองก็ตามหรือการกระท่าของผู้อื่นที่ทำไม่ดีไปเอามาล ะ, ละลึกเป็นอารมณ์ละลึกแลือบเกิดความคัดเครื่องเกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถอนการระลึกกับอารมณ์เราหนั้นมาละลึกในอารมณ์ที่ดี อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่จะให้เกิดประโยชน์คือคือข้อมดีนะี่ยแหละระลึกถึงความดีความดีของเราเองหรือความดีที่ผู้อืนอ่นทำเรียกว่าระลึกเอาส่วนที่ดีเมื่อรละลึกถึงความดีอารมณ์ที่ดีอย่างนี่อันนี้เรียกว่าระลึกชอบเพราะว่าใจ จะสงบใจจะรงจะงับจากความเราร้อนใจจะเบาใจจะสบายเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นธรรมเป็นเครื่องระลิงเป็นอาหารใจนี่เดียวว่าใจได้อาหารอาหารที่ดีอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นพ่ายส่วนที่เป็นผิดเป็นพ่ายก็คืออารมณ์ที่ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่อง เสียอกเสียใจเป็นเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องพยาบาทอาขาดต่างๆอันนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีครับะรลึกเรียกว่าเป็นมิจฉาสติถามว่าระลึกพุทโธ ท, ทัมโมสัสงโฆระลึกถึงความดีหรือระลึกในอนุตสนนติสิบในอนุสติสิบ ขุท่านุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกคุณพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ยะฆานุสติระลึกถึงความเสียสละของเล่าที่ได้เสียสละไปแล้ววาริจกักไอท่านไปแล้วช่วยเหลือไปแล้วจะฆานุสติศีลานุสติระลึกถึงการกาหนด การเจตนาสํารวมระว่างกายว่าจ่าไม่พูดในสิ่งที่ผิษเีลนคือสิ่งที่พิษศียนคือพูดไปแล้วมันจะเล่ารอดมันจะเร่ารอดมันจะเศร้มองเส่นการโปะพ์มดเทศหลอกลวงอําพรางต่างๆเราเนี่นี่คือสําร่วมกายสําร่วมว่าจ่าอยู่ในความสุจริต อันนี้จะเป็นสติะระลึกชอบะระลึกในศีลที่ตนรักษาอยู่หรือปฏิบัติอยู่ไม่ให้พองเผอไม่ให้รวงละเมิดไม่ให้ลูกอานาจแจ่ข้อมอยากที่จะกระทําที่จะรวงเกินในโทษหรือในกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การกรรมำวจีกรรมแล้วละเอียดเขามากก็มโนกรรม เคียกับเรื่องอารมณ์ะอารมณ์ที่จะให้เกิดความุกก็ให้ตัดยกอารมณ์ที่เป็นธรร ม, มาระลึกนั่นแหละร ะ, ะลึกในศีลที่รักษาระลึกในจาค่าจะข่าที่ได้เสียสละละเอียดคำว่าเพิ่งจะให้ระลึกยู่ในกา ย, กยของเจ้าของเนี่ย เวลาพิจารณาเวลากำหนดลูกมันลูอยู่นนี่อมันจะออกเป็ลู่นอกกับกำหนดลู่ยุ่นนี่ลู่ในกายเจ้าของนี่อยู่ลู่อยู่ในกายในตนของเจ้าของนี่ที่ว่าเหนื่อหนังมั่งซั่งหรืออาการสามสิบสองเนี่ยผมคนเรียกฟันนังที่มีอยู่ในเจ้าของนี่เพื่อให้มันผูกพันอยู่นนี่ สติแล้วลึกลูกผูกพันอยู่เนี่ยนี่แต่ว่ากายคตาสติอหน้าปาหน้าสติกเอาหน่อยๆเขามากเลยลูกล่มหายใจเข้าหายใจออกล่มนี่ในมีคุณนค่ามากต่อซีวิตชีวิตเป็นอยู่ยได้ด้วยล่มถ้าหาว่าสิน้นสุดล่มนี่แหละซีวิตก็ขาดสูญไปเพราะฉะนั้นเลยว่าแล้วลึกลูกในคุณของล่มนี่แหละ แบบเหมือนกับว่าระลึกรู้พุ่นของล่มทําให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้นี่สติกํำนดเนี่ยเมื่อกํำนดอยู่อ่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยเืยเนี่มันเป็นการสาั่งทลั่มของสติให้มันคงให้ตั้งมันให้แน่วแน่ที่นี่เมื่อมันมีความมันคงแน่วแน่คมระลึกรู้เท่ารู้ท่านการเคลื่อนไหวของ คิดใจจะไปนึกไปคิดเรื่องอันไดสิ่งอะไรมันก็รู้เท่าท่านแล้วมันก็จะมีเหตุไม่ผลขึ้นมาในตัวด้วยสิ่งที่นึกที่คิดเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วมันก็จะไม่เหตุไม่ผลรูล้แยกแยะรู้รอบคอบชิดรู้เท่ารู้ท่าน ได้จากไอ้สติที่ฝึกให้มีกำลังนันนะ่ะที่นี้เมื่อมันมีกำลังต่อเนื่องต่อเนื่องข้อมันคงของใจไปมันคงของใจที่เราจะกำหนดรู้สิ่งใดหรือที่จะไปคิดในเรื่องการเรื่องงานตั้งๆมเนี่ยมันก็จะเกิดความชัดเจนแจม่มแจงขึ้นมาได้เรี๋ยวคิด ไม่เป็นทุกข์เพราะค้อมคิดแถ้ามีสติมีกำลังสติกาลังสมาธินะเพราะว่าคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลนี่ไม่เป็นทุกข์เพราะจิดจงข้อมนึกคิดไม่เป็นทุกข์เพราะสัญญาข้อมไปจำได้ไมยรูเพราะถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีกำลังสติไม่มีกาลังสมาธิอย่างสัญญามันไป จดไปจำไปรู้แล้วก็สัญญาค้อจำาได้ไหมรู้จำหลงไปหมายเดีหมายพิดถ้าจำเฉยๆว่ไม่โทษว่าเป็นอย่างเรื่อกต้องจำสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับเราจำเสียงนั้นเสียงนี้ได้จำแล้วไม่ไปหมายไม่ไปปุงเป็นสังขารให้พิษไปอีกนั่นก็มันเป็นทุกข์ทาไปคิดพิดปุงพิษไปอีก เรียกว่าหมายพิษไปอย่นั้นแหะความทุกข์ความร้อนก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนี่สติสมาธิเป็นเครื่องระงับความเห็นพิษเป็นความเป็นเครื่องระงับความร้อนที่จะเกิดขึ้นจากความเห็นผิษนี่เหตุมีผลมีคุณค่า ต่อจิตใจคือสติสมาธิที่ได้ฝึกหัดด้วยการกำหนดรูหรือว่าด้วยจิตภาวนาคือความเอาใจใส่ในการกำหนดรูนั่นแหละกำนตรูจิตใจของตนเองนั่นแหละนี่ใ น, ในอนุสติสิบ ที่ว่าอนาปานาสติต่อไปมันกัมีมรณะ น, นุสติการกำหนดรูขอ้อมเกิดข้อมดับขวมแต่ดับที่ท่านว่าะระลึกถึงข้อมตายที่จะมาถึงตนด้วยเพื่อมาให้เกิดข้อมประมาทนี่ธรรมะสั่งธรรมะฝึกธรรมะปฏิบัติให้เกิดข้อมเป็นธรรม ปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละแก้กันอยู่ที่ข้อมลู่้อมเห็นคือใจนี่แหละตามรักแหง่งจิตตภาวนาการกำนหนดลู่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือสติปทานซี่คือการกำนหนดลู่กายลู่จิตลู ทำกายเวทนาคิดทำรู้เวทนานี่เป็นการฝึกธรรมะหรือสั่งธรรมะของกินให้เกิดเมื่อเกิดล้วก็จะรู้ด้วยตนเองสัมผัสด้วยตนเองสงบระงับให้คิดในใจของเข้าเองนั่นแหละเม่อ <c> ใ <oughs> ไป สงบระงับไม่ได้ไปแก่ที่อื่นที่ไกลดอกนี่จึงร่วมว่าธรรมะคือกายขับใจกายขับใจถ้าใจไม่มีธรรมะเขาไปควบคุมมันไหลไปตามความอยากไหลไปตามกิเลสตามอศสะวะกิเลสเหตุให้เกิดความร้อน เหตุให้เกิดข้อมร้อนเหตุให้เกิดปฏิกิริยาเหตุให้เกิดปัญหา<ม>เป็นทุกข์เขามาสู้จิตสู้ใจค<ม>ือความ้าเยอทะายานอยากไม่มีเหตุไม่มีผลอยากโดยค้อมหลงอยากโดยข้อมรู้ไ ม, ม่เหตุมีผลอยากได้อยากดีอยาก ได้บุญกุศลยากได้ศีลได้ธรรมนี่อยา ก, ยากมีเหตุมีผลยาวเหลือ ก, ลก็รู้เลือ ว, ว่ามันอยู่ที่ไหนจะเป็นศีลได้เป็นธรรมได้เป็นความสุขร่วมเขาสู้ใจได้จริงๆริงก็ร่วมยุเรื่องกายเรื่องว่าจจเรื่องคิดใจของเรา น, เนี่เองนี่เพราะฉะนั้อุปณะยิโกน้อมเขามา ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติต่อกายต่อใจก็กายว่าจาใจในี่แหละให้ตรงต่อผลทางที่ให้เกิดความสุขตามข้อสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลสมมาทิพปัญญาเว้นจากทุจริตประกอบทุจริตให้มากๆขึ้นไปก็จะเป็นร้ำเครื่องยังคิดให้เยือกเย็นก็จะ มีความสุขในสมมุตดนี่อยู่ในสมมุติโลกที่ยังมีความยินดีพอใจหรือว่าไม่มียินดีพอใจแต่ว่ามันมีแล้วมันต้องอปฏิบัติกันต้องสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนกันกับถาดขันร่างกายเข้าเนี่มันมีแล้วเดี๋ยวนี่มันสัมผัสกันใช่แล้วกายกับใจมันกรรับผ้าระกันเนี่ยอต้อง ควบประงมต้องเยียวยากันนี่แหละเดี๋ยมันเป็นทุกต่อขันนี่ต่อการปฏิบัติต่อธาตุต่อขันต่อร่างกายเฮาเนี่เดี๋ยวเก็เบทองปวดหัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี่ก็ต้องแก่กันรักษากันเยียวยากันด้วยยุกด้วยยานี่เขาใจความจริงของธาตุของขันแบบเยียวยาด้วยยุกด้วยยาเขาใจความจริงของ น้ำขันคือคิดใจว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เยี่ยวยาด้วยสติสมาธิด้วยปัญญาแยกแยะให้เข้าใจย้ำแจงตามความเป็นจริงสรุปร่งสู้อนนี้จังทุกครั้งอนัตตาลุ่งถึงคิดถึงใจอันนี้จังรู้ถึงคิดถึงใจด้วยความจริงเห็นด้วยความจริงประกอบด้วย ควมเห็นประกอบด้วยควบรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นถึงว่าเป็นยานนัทศสนะที่ใจแล้วนั้นมันยังคอยมันยังสิ้นสุดกันเรียกว่าเห็นอันนี้จังตามเป็นจริงทุกขังตามเป็นจริงอนัตตาตามเป็นจริงแล้วอันนั้นจึงสิ้นสุดสมมติกันได้ เดี๋ยวมันยัง่อยว่างมันจึงว่างทุกได้จริงๆริงมันจังถอนพระทานคว่อมยึดคว่มถือได้จริงๆรงิมันจังเป็นสุขที่ใจมันเป็นจังเป็นพร่อมเบาใจจังเป็นพว่อมสุขที่ใจที่ผู้รู้รู้ที่ธาตุรู้ขื้นใจนี่แหละไปะสุ่มไปสุ่มลง่งถึงคิดถึงใจก่อนที่มันจะประชุ่มลง ถึงคิดถึงใจได้ย่างนันันนี่แหละ อ, อาศัยการภาวนาอาศัยการกำหนดรูอาศัยการกำหนดพึกหัดปฏิบัติละทั้งกายทั้งว่าจาเนี่ยตามเรื่องของศีลเป็นยังว่าศีลเป็นร่ว ก, กันหรือว่าศีลเป็นความสําร่วมในเบื้องต้นที่จะมีสติสําร่วมระลึกรู สมาธินั่นคือมันมันคงแล้วอสําร่วมไปบ่อยู่ไม่ขาดสายสําร่วมอยู่บ่อยๆโดยความเพี้ยนมันตั้งมันนั่นมันเป็นสมาธิแล้วอันนั้นมันผ่านมันเป็นอาการที่ผ่านศีลไปแล้วผ่านจากข้อมสํารวมไปแล้วมันมันคงแล้วที่ปัญญาที่ที่จะละหน้าไค้ค้วนรอบรููเข้าใจความจริง ที่แรกเขเป็นปัญญาสัญญาเป็นปัญญาพินิจพิจารณาตืกต้องไข่คว่วนมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไประชุมความจริงล่องที่ใจจนเป็นข้อมลูกข้อมเห็นแจมแจงเป็นทัศนะ์นาเป็นญาณ น, นัทธศนาะเป็นข้อมลูกด้วยใจแจมแจงแล้วอันนั้นมันเป็น ปัญญาวิมุดมันพ้นจากสมุิไปแล้วอั น, นั้นเป็นผลเป็นผลที่ได้รับหมดปัญหาไป น, นั่นจึงว่าเป็นสูงโดยปัญญาปัญญามดนาทีไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นนั่นเอาในละข า, า, า, า้นศีลภาวนาดังสติกำหนดไปกับปัจจุบันปัจจุบัน ในหน้าที่การงานยินดืมิ่งทำพูดคิดทำสิ่งใดที่เป็นการงานชอบที่ไม่เป็นการงานมิจฉาทิฏฐิมันเป็นการงานที่พิษแล้วปฏิบัติไปตามนี่แหละตามการกระทํานี่แหละหเป็นศีลไปตามการงานปัจจุ บ, บันะระลึกไม่ถอดทุระไม่เพอเลอ้อ โดยความมีสติสัมปชัญญะรอบรูปด้วยความตั้งมัน่นโดยความมั่นคงแหง้งความรู้ของคิดของใจเนี่ยมันก็จะหน้นกันให้เกิดเป็นความสุขโดยทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรอยืจนถึงที่สุดได้โดยความเพียนไม่ถอดถอยไม่ถอดทุละเอาเอาละวัน